ถ้าใครอยากดูประกอบก็ดูคำสมท า, านอุโบสถประกอบก็ได้เนี่ยนะคสมท า, านอุโบสถอ่ะรายละเอียดเนื้อหาคล้ายกันพันะพระพุทธเจ้านั้นจึงละจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการลักทรัพย์พันะพระองค์จะรับเอาแต่ของที่เขาให้เนี่ยนะรับเอาแต่ของที่เขาให้อรับคำว่ารับเอาของที่เขาให้แปลว่าเช่นธรรมมาค้าขายก็ชื่อว่ารับในสิ่งที่เขาให้เพราะกติกาและเงื่อนไขเป็น เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะพ้นรับของแต่เขาให้ต้องการแต่ของที่เขาให้เรียกว่าได้มาโดยทำเนี่ยนะไม่ประพฤติตนเป็นขโมยเป็นคนที่สะอาดเนี่ยนะมีมือไม่ไม่เปื้อนอะไรไม่เปื้อนสิ่งที่เดือดร้อนเน่นะเดือดร้อนในปัจจุบันและต่อต่ อ, ตอไปทีนี้สีนข้อที่สเนี่ยนะถ้าพูดปกติทั่วๆไปก็ละ การเมสุมิจฉาจารและการประพฤติผิดในการคิดง่ายๆว่ า, าวประพฤติผิดในการคืออะไรคือการประพฤติผิดในบุตรและภริยาของผู้อื่นบอกว่าผู้ชายเนี่ยนะเว้นภริยาของตนซะบุตรของคนอื่นก็ไม่ได้ภริยาของคนอื่นก็ไม่ได้ใครก็ไม่ได้ทั้งเว้นแต่ภริยาของตัวเองอ น, นะมีสิทธิ์ได้เท่านั้นจริงๆ น, นะเพราะถ้าเกินกันนั้นเรียกว่าการเมสุมิจฉาจาร เอา่างนั้นน่ะมีได้มีมีภรยาได้หลายคนได้ัหมได้ถ้าโดยถูกต้องสามารถมีได้หลายคนแต่ต้องโดยถูกต้องเนี่ยนะตามคันลองตามจารีตประเพณีเนี่ยนะสามารถมีได้หลายคนแต่ว่าเขาจะอนุญาตหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งนะแต่แต่ว่าสามารถมีได้หลายคนแต่มีความสามารถไม่ล่ะสาคัญมันอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าไปไปไ ป, ประพฤติผิดกับคนที่ไม่ใช่บุตรและภรยาของตน เมื่อใดถึงจะรักกันก็ช่างแต่ไม่เกี่ยวว่ารักไม่รักไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่ประเด็นประเด็นอย่างว่าถ้ายังเป็นบุตรคนอื่นยังเป็นภริยาของคนอื่นถือว่าผิดเนี่ยนะถือว่าผิดการเมส e ุมิจฉาจาร์อ่ะแล้วผู้หญิงล่ะเว้นสามีของตนเสียบุคคลที่เหลือไม่ได้เลยเนี่ยนะอันนั้นอะ่ะจะต้องทําลายเจตนาที่เป็นเหตุล่วงละเมิดอันนั้นซ ะ, ะอันนั้นเนี่เรียกว่าเว้นจากการเมสุมิจฉาจารเนี่ยนะเว้นขาจากการเมสุมิฉาจาร์ แต่ถ้าเป็นนักบวชทั้งหลายเนี่ยนะถ้าเป็นนักบวชก็คือละกรรมอันเป็นฆาสึกแก่พรหมจรรย์เนี่ยนะเจตนาที่เป็นเหตุล่วงอภพรหมจรรย์เพราะว่าจะเจตนาในเมถุนเนี่ยเป็นการประพฤติละเมิดละเมิดพรหมจรรย์ละเมิดพรหมจรรย์คือศีลพระพุทธเจ้าเป็นละกรรมที่เป็นฆาสึกแก่พรหมจรรย์ก็คือเจตนาในเมถุนธรรมเป็นต้นพระองค์ก็เลยประพฤติพรหมจรรย์ ประพฤติห่างไกลเว้นขาจากเมถุนซึ่งเป็นเรื่องของชาวบ้านเป็นผู้ที่ทําตนให้ประเสริฐประดุดพรหมเนี่ยนะเพราะองค์เป็นผู้ที่มีศีลอย่างนี้พันถ้าคิดปิดในหนึ่งนะคิดง่ายๆเลยว่าในศีลสามข้อเนี่ยนะถ้าเป็นชาวบ้านทั่วๆไปคิดง่ายชีวิตของคนอื่นคือศีลของเราเนีนะพันเราจะต้องให้อภัยต่อชีวิตของคนอื่นทรัพย์สินของผู้อื่นทั้งหมดคือศีลของเราพันเราจะต้อง ไม่มีเจตนาไปรักในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็บุตรภริยาของผู้อื่นหรือสามเวนสามีของเราอะ่ะบุคคลที่เหลือเป็นศีลของเราหมดเลยนะคิดง่ายๆน ะ, ะถ้าผู้ชายเว้นคนที่ไม่ใช่ภริยาของเราทั้งหมดเป็นศีลข้อเวนจากการเมสุมิฉาจานนี่ะถ้าเป็นนักบวชบอกว่าคนอื่นทั้งหมดเลยเนี่ยนะถือว่าเป็นเพราะว่า กาเมหรือข้อที่สเนี่ยนะประพฤติล่วงอะพรหมจรรย์เนี่ยแม้กระทั่งในชายก็เป็นกาเมเนี่ยนะทั้งทวารหนักทวารเบาและก็ทวารปากสามทวารเลยนะถือว่ากาเมหมดเนี่ยนะเอถือว่าอะพรหมจรรย์หมดมันก็รายละเอียดเกี่ยวเนี่ยพระองค์เนี่ยเป็นผู้มีศีลสรุปว่าสมข้อเนี่ยเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ทางกายเป็นกายกรรมที่ไม่ต้องเดือดร้อนใน ปัจจุบันและต่อต่อไปเชื่อไหมเวลาการโจรดกันเนี่ยนะการโจรดกันกา ร, การหาเรื่องการกร่อเวรการสร้างศัตรูเนี่ยโดยมากอ้างเอาสามข้อนี่แหละเป็นเบื้องต้นก่อนนะใช่ไหมอ้างอะไรหนึ่งแกไปฆ่าคนมานั่นนะคนนี้ไม่ฆ่าก็เลยถูกรุมประชาทานอะลักษณะนี้ไม่มีหรอกมีแต่ว่าเพราะฆ่านั่นแหละจึงเดือดร้อนจึงเรียกว่าเป็นภัยเวรเพราะรักขโมยคดโกงเป็นต้นนั่นแหละเป็นภัยเวรและก็การประพฤต ผิดในบุตรภรยาของผู้อื่นหรือถ้าเป็นนักบวชก็ประพฤติอพรรมจันนั่นแหละเรียกว่าเป็นภัยเวณทั้งในปัจจุบันและต่อต่ อ, ตอไปเพราะฉะนั้นคนที่มีศีลเนี่ยนะรักษาให้เรียกว่ากำจัดอาสวะในปัจจุบันกำจัดความเสื่อมเสียเรื่องเสียหายแก่ชีวิตส่วนตัวเนี่ยนะในปัจจุบันชาตินี้ก็ไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนในชาติ ต, ต่อต่อไปขณะเดียวกันบุญกุศลที่เว้นจากการ ค่าเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เจตนาศีลตัวนี้รองรับการบรรลุมรคผลเนี่ยนะรองรับฌานรองรับอภินยารองรับวิปัสสนารองรับมรคผลเนี่ยนะรองรับแล้วก็เป็นเป็นหนทางที่จะทำให้ถึงพระนิพพานเป็นรถผลัดที่หนึ่งที่สำคัญมากที่จะทำให้บรรลุ มักผลนิพพานพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีศีลอย่างนี้และศีลอันนี้เนี่ยไม่ใช่เพิ่งมีในปัจจุบันพระองค์มีตั้งแต่นในเมื่อไหร่นั่นกับสมาทานนั่นกับสมัยสุเมศบรรดิตแล้วใช่ไหมสมาทานนั่นกับสุเมศบัณฑิตแล้วสมาทานศีลอย่างนั้นมาเรื่อยๆๆๆถึงครั้งคราวอาจจะไปเปื้อนบาปมาบ้างแต่บาปก็ไม่ได้เป็นเหตุให้เป็นพระพุทธเจ้าตัวที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าคือเจตนา ศีลท่านรักษาศีลเนี่ยนะรักษาศีลได้ยั่งยืนแต่ละพลาดเมื่อไหร่ก็รีบรีบทําคืนก็เหมือนอย่างบอกว่าคนที่ทุ่ศีลโ อ, อ้แ ม, ไม่ไม่รักษาละก็เหมือนกับคนที่ทุ่ศีลแต่ละครั้งก็เหมือนกับว่าทําแก้วแหวนเงินทองตกถ้ารู้ว่าตัวเองทําแก้วแหวนเงินทองตกเนี่ยนะทำไงดีก็เก็บใส่กระเป๋าคืนก็ง่ายนิดเดียวก็มีอยู่เท่านั้นแหละถ้าทําตกไปแล้วก็เก็บคืนเนี่ยนะหรือถ้าตัวเองเนี่ยนะไป ไปเดินเฉี่ยวน้ำเข้าแล้วมีบาดแผลเวอะหวะทำไงก็รักษาแผลรักษาแผลเก่าแล้วก็พยายามไม่สร้างแผลใหม่สีลก็ในลักษณะเดียวกันเนี่ย น, นะ ก, กไ็ไม่พยายามไปผิดพลาดอันใหม่ๆอันเก่าก็พยายามประสานแผลว่าเออเนี่ยมันผิดกันได้แต่ขณะเดียวกันไม่ใช่ชื่นชมในความผิดแต่ว่าจะต้องรู้จักให้อภัยแก่ ตัวเองแล้วก็เห็นโทษแม้เล็กน้อเห็นโทษเล็กๆเนี่ยให้มันตโตๆพยายามดูอะไรเป็นภาพขยายให้หมดเห็นความทุศีลแม้เล็กน้อยเนี่ยเห็นค่ายุงเท่ากับค่ายางอ่างัาางน้นเถอะถ้าเห็นได้ขยายยุงเท่าช้างได้เมื่อไหร่ก็จะเจตนาฆ่าไม่มีเนี่ยนะถ้าหากว่ามองเจตนาฆ่าคนเหมือนกับจะระเบิดภูเขาใหญ่ๆใหญ่จริงๆเลยนะโครงการใหญ่เลือเกินเนี่ยถ้าขยายสิ่งที่เราจะทำมนะันนั้นให้มันใหญ่ให้มันมองใหญ่ๆอย่างนั้นเราก็ ทำลายเหล่านั้นไม่ได้แต่ทางนั้นทางนี้บางคนก็บอกอ้าวแล้วทํามาแล้วทําไงทํามาแล้วก็บอกว่าเจตนาฆ่ามันมีอยู่ไม่กี่ครั้งใช่ไหมในชีวิทั้งชีวิตฆ่ากับไม่ฆ่าไหนมากกว่ากันถ้าฆ่าทุกวันฆ่าตลอดเวลาเนี่ยไม่มีชีวิตอยู่แค่ขนาดนั้นหรอกเพศจะฆ่าจริงๆก็ไม่ได้ฆ่าแหม่ทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนอะไรหรอกคนเชื่อดักเชื่อทั้งหลายก็ไม่ได้เชื่อทั้งวันทั้งคืนอะไรหรอกเชื่อเป็นเวลาเวลาทีนี้ถามว่าอ้าวคนที่ ทำบาปจริงๆยังไงก็ไม่ไม่ไม่ไมาเจริญกุศลล่ะทีนี้ถ้าคนที่จเจริญกุศลอยู่แล้วล่ะอ่านะทําบุญบ้างทําบาปบ้างก็สมถ า, านว่าทํำยังไงจะให้กุศ ล, ลจิตเนี่ยมันเกิดบ่อยๆเขาเขาในพระไตรปิฎกกล่าวว่าจิตเนี่ยชั่วลัดนิ้วมือหนึ่งเนี่ยเกิดดับเร็วไหมเร็วเอาทําไมไม่ใช้ความเร็วให้มันมีประโยชน์ล่ะ ทำไงก็สมาทานศีลให้มันบ่อยๆรักษาศีลให้มันบ่อยๆถ้าศีลมันเกิดเร็วจริงอะ่ะเราจะได้รักษาศีลเท่าไหร่เออใช่ไหมแทนที่จะแหมขอแบ่งเวลาที่มันฟุ้งซ่านมาสมาทานศีลมาที่ฐานศีลมาระลึกถึงศีลเนี่ยนะย้ำอยู่ในใจย้ำแล้วย้ำอีกย้ำแล้วยำ้วยำอีกยำ้ำศีลกว่าจะเท่าไหร่กว่าจะเป็นพระโสดาบันนั่นแหละเนี่ยนะสมาทานกว่าจะเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคามีเป็นพระอนาคามีกว่าจะเป็น พระอาหารหันต์นั่นแหละก็ทํายังไงให้มันคิดบ่อยๆคิดถึงศีลบ่อยๆแทนที่จะคิดฟุง้งซ่านเอาคิดถึงใครเขามีชีวิตไม่ล่ะเราต้องรักษาศีลกับเขานะเราจะไม่มีจะไม่ฆ่านึกถึงคนอื่นเนี่ยเขามีทรัพย์ศีลไม่ล่ะเขาก็มีก็นั่นก็เป็นศีลของเราเพราะชีวิตของคนอื่นก็คือศีลของเราทรัพย์ของผู้อื่นก็เป็นศีลของเราถ้าเป็นคารวะทั่วไปก็บอกว่าคู่ครองของคนอื่นก็คือศีลของเรา ถ้าเป็นเนี่ยถ้าเป็นนักบวชทั้งหลายก็อบอกว่าทุกคนนี่แหละคือศีลของเราทั้งหมดเนี่ยนะเราจะต้องประพฤติพรหมจรรย์กับทุกคนไม่ล่วงละเมิดศีลกับกับทุกคนในที่ทุกหนทุกแห่งในที่ทุกสถานเนี่ยนะสมาทานศีล ร, รักษาศีลศีลเนี่ยเป็นเป็ น, เ, ป น, เ, ปนเขาบอกว่าศีลเนี่ยเป็นกายวาจาใช่ไหมฟังคำถามศีลเป็นกายวาจาใช่ไหมเป็นพฤติกรรมทางกายทางวาจาใช่ไมเรียกว่าศีล แตกว่าใช่พฤติกรรมนี้เป็นกุศลหรืออกุศลพฤติกรรมเป็นอัพยากตอาอ่าวรูปเมื่อไหร่มันก็เป็นอัพยากตะทางนั้นแหละแต่ศีลนี่เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลศีลเป็นกุศลกุศลเกิดกับรูปหรือเกิดกับจิตกุศลเกิดที่จิตเพันสมาทานศีลรักษาศีลไม่ได้ไปรักษารูปแต่รักษาเจตนาทําลายเจตนาทุศีลก็ทําลายตัวความคิดที่เป็นเอิดให้ล่วงละเมิดศีลอันก็ ตอกยำ้ำสมาทานอธิษฐ า, า, านสมาทานศีลทุกครั้งเนี่ยนะาใน3ข้อแรกเนี่ยนะถ้าเราคิดดีๆนะก็เท่ากับข้อหนึ่งสมาทานให้ตัวเองสุขภาพดีมีอายุยืนดีั้มมีประโยชน์ใช่ไหมสุขภาพก็ดีเยี่ยมแล้วก็มีอายุยืนยาวนาน 2. ร, รักษาโภคทศัพท์ทำาโภคทรศัพท์ที่ยังไม่เกิดให้ เกิดขึ้นและรักษาพวกกระซั์ที่เกิดขึ้นแล้วให้ยั่งยืนและยาวนานเพิ่มผูนยิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้คือศิลข้อที่2ข้อที่สสมาทานไม่มีศัตรูไม่มีคู่เวนเห็นไหมสมาทานไม่มีศัตรูและไม่มีคู่เวนถามว่าทําไมบุตรภริยาของผู้ใดโดยมากนะถ้าเป็นบุตรแท้ๆภริยาแท้ๆ ท, ที่พอ่อพอกันเขาก็เขาก็รักก็หวงแหนถามว่าถ้ามีคนมาละเมิดเนี่ยดีใจไหม โอ้แทบจะฆ่าล้างโคตรน่ะ น, นะเขาวางั้นเขามีความคิดแบบนั้นอ่ะนะแทบจะต้องฆ่าล้างบางเลยนะถามว่าคนที่ทําอย่างนั้นอนะ่ะถามว่าผูกเวรใช่ไหมบอกว่าใช่มันก็เท่ากับอะไรคนที่รักษาศีลให้ความปลอดภัยกับบุตรปริยาของผู้อื่นเนี่ยเท่ากับรักษาอะไรก็รักษาว่าตัวเองเนี่ยจะไม่มีภยัยอันนะก็เท่ากับว่าทุกคนนี่คือญาติของเราทั้งหมดนั้นทุกคนก็จะไม่แบบ คือไม่ขยักขยงเราเนี่ยนะอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยศีลข้อนี้ดีเนี่ยทุกคนมองพระพุทธเจ้าเป็นญาติหมดนันะเขาจะมองพระพุทธเจ้าเป็นญาติเมื่อมองพระพุทธเจ้าเป็นญาติเขาจะวางใจกับพระพุทธเจ้าเขาเชื่อว่าเขาเนี่ยปลอดภัยทั้งชีวิตจากพระพุทธเจ้าปลอดภัยทั้งทรัพย์สินมาจากพระพุทธเจ้าปลอดภัยจากแม้กระทั่งว่าบุตรภรรยาเป็นต้นเนี่ยเขาปลอดภัยจากพระพุทธเจ้าทุกคนเลยเคารพ พระพุทธเจ้าเพราะเขาคิดว่าเขามีความปลอดภัยอย่างเต็มที่ถ้าพระพุทธเจ้าไม่มีศีลเนี่ยนะปลอดภยัยไหมถ้าพระพุทธเจ้าเป็นนักฆ่าเช่นกับพระองค์ุลิมาได้ยินชื่อเนี่ยแผ่นหมดแล้วเนี่ยนะใครจะใครจะยินดีจะเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไหมบอกไม่เพราะพระองค์ไม่ฆ่าถ้าหาว่าพระองค์ไม่มีทรัพย์จริงๆเนี่ยพระองค์จะเลี้ยงคนอื่นได้ไหม นะเลี้ยงสรรพสัตว์ทั้งหลายได้ไหมไม่ได้หรอกพระภิสุท์ทั้งหลายที่บวชเข้ามาเนี่ยอาศัยทรัพย์พระพุทธเจ้าถ้าไม่มีอริยทรัพย์ของพระพุทธเจ้าแล้วจะมีพระพิสุท์ทั้งหลายเป็นต้นพุทธบริษัททั้งหลายจะได้ใช้ไหมบอกก็ยากนะนะก็ถือว่าเป็นทรัพย์ของพระพุทธเจ้าทั้งปัจจัยศีและอริยทรัพย์เป็นต้นคือศีนนะท่านพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีมีศีลซึ่งศีลเป็นผลดีทั้งต่อโภกทรัพย์และต่อ อริยศรัพย์ศีลเป็นผลดีทั้งในปัจจุบันและต่อต่อไปเนี่ยนะพังก็ต้องพยายามรักษาศีลอันนะสมาทานศีลรักษาศีลก็รักษาใจเรานั่นแหละเนี่ยนะรักษาใจนั่นแหละเพราะว่าพฤติกรรมล่วงศีลกับพฤติกรรมไม่ล่วงศีลอันไหนมีมากกว่ากันถ้าโดยพปกตินะถ้าพฤติกรรมของคนฆ่าอย่างเดียวอะเชื่อเถอขาไปขังกรงเอาไว้เขาไม่ปล่อยให้ไปเดินเป็นบ้านหรอกเขาไม่ปล่อยหรอกถ้าเจตนายักยอกตลอดเวลาเขาก็เอาไปขังไวภาษา ภาษากฎหมายเขาว่าไงในโรงเรืองเขาเรียกว่าชั่วโดยโดยอุปนิสัยแต่เขาใช้ศัพท์หนักอันนี้เยอะเนี่ยนะเขาเรียกว่าชั่วเลวชั่วร้ายโดยอุปนิสัยซึ่งคนอย่างนี้เนี่ยไม่สามารถปล่อยให้เดินป้วนเปี้ยนในสังคมได้ก็ต้องเอาไปกักขังแล้วก็หน่วงเหนี่ยวเอาไว้เพราะอะไรเพราะคนพวกนี้อันตรายเขาเรียกว่าชั่วโดยอัธยาศัยเขาว่าไงนะชั่วโดยอัธยาศัยโดยอุปนิสัยอ่ะนะ แต่ภาษาบาลีก็ฟังแล้วไม่หนักสันตานะแต่ภาษาไทยแล้วก็ต่อเต่าเขาจะอ่านเป็นดอเด็กหมดเลยเนี่ยนะทีนี้คนที่อย่างนี้ต้องต้องเรียกว่าเขาไม่ปล่อยอยู่แล้วเนี่ยนะเช่นเช่นงูพวกงูพิษทั้งหลายเนี่ยเขาจะไม่ปล่อยให้มาป้วนเปี้ยนและเพ่นพ่านเพราะอะไรเพราะถือว่าไม่ดีโดยอัธยาศัยแต่ถ้าดีโดยอัธยาศัยเนี่ยนะแต่ถ้าไปเจอเหตุการณ์เหล่าใดเป็นต้น บุคคลอันนี้ต้องหมั่นสมาทานอธิษฐานรักษาศีลเอาไว้ให้ดีๆเนี่ยนะเพราะว่าสีเลนะสุขติงยมติเนี่ยนะระลึลกถึงว่ารักษาเจตนา